กินมาทานแล้วตัวนุ่งึุงต่ก็ดีฝ่าอุ้งขาบีก็ดีไร่ไร่กัดตอนจะทิ้ก้อนากของพ่อของานแล้วก็จะเอาทิ้งถือกับเพลย์เยาวุฒิธาติสิทธิ์กี่ตะปูดอกนึงเขาก็มา ตีแล้วพี่ไว้เสร็จหนึ่งก็ประมาณแล้ว mm. อยเอาอยางเขาขเขาเท่าเยน็นๆกันแล้วกเกียวโซ่เขาไหวหนีอแต่ว่าคนมากเนีมักขึ้นมันจะเป็นทําเลนกาผู้วาวเขาดึง กันไปน้ำนีมน้ำกุมาอยู่บดีสารพัดดีตบ่ดีเขาจะเอาเห็ดเท ก, กุตติให้ผลเป็นเรื่องของเขาแต่เป็นเรื่องของเขาที่รู้การที่อัตกัดทิศเร่อภาคอีสานนี่เกิดขึ้นไรผไม่จัาคือวาที่ไท คุณมีแล้วนี่เขาบอกครับแล้วจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนเวลาจะไปไหนจะ่าไปบอกเขาเราจะไปวันพรุ่งนี้เราเอาแต่ก่อนก็ได้หลังวันพรุ่งนี้สองสามวันเราจะไปก็ได้เดี๋ยวนี้โจรมันลุกขึ้นแล้วปวดพิภพชอบประเทศเลย สหรับอาตมาก็ไม่คอยเอาอะไรด้วยหรอเพราะมีอะไรก็ฉีกกระเป๋ามาทำเแล้ว รมมาด้วยแรงปอดีร่มมาลูกปึงปอดีตัวใหญ่ปอดีกอดีไหล่โค้งกล้องอดีถ้าจัก็บพี่วัดแบกนองด้วยแล้วากี้ข้าจกัพวกพ่อแต่ว่าเอแต่ว่าต้องบอกมูเบาเสีนละ ก็มือถือก็ไมู่้ว่าเสีนเท่าไหร่พอคิดว่าได้ทายวกาตัวเดีี่กนเน้ยกับผ่ยู่ทางเหนืาดถึงพ้ออยู่สุกคนทกคนเลยนี่อาจจเอาพิสอยถือกังก็จะเอาตัวเมือนตับผู้วัดก็จะแบบนี้กูแบบเล่าสิครับเห็นประดูกเขาอยู่พอเหงเทุกการณ ถ้าตีไปยุคผู้เก่าคเขาก็ท่านพามาไร้ใหม่ละมันเราก็ตั้งกระซ้าใหม่แต่ไม่ยนอยู่สามสิบคนเยค่อยเอาการจอกอย่างนี้ส่วนสูงในกานสูงสุดกเห้าสู้พวกคน้วหุกรเจอาเที่ยไปเทื่อมาตามภาษากระจ้า ยังก็เจ้าของีกระท่าเจ้าตัตีกังก่อจอแล้วันนี้เอ า, เอาดักซุดักเซฟไว้แต่มันยากกับผู้อยู่ิ่งหนึ่งกันเฝ้าแต่กันเรื่อแต่กันคนที่คนข้างนึง วาดพวกล็อกคอผู้ใดจักใดก็ให้เพื่อนฆ่านาฬิกา ข, ข, ข, ข, ข, ข, ข, ข, ข้าให้พงี์พี่ตายตาได้เจ็บมือเพรากันอุปโลกได้เจ็บมือสะกอนกระติ๊กหน้า กานัะเขาสงมาให้เป็นชดตัวหววว อ, หว อ, หหอ น, นอยู่สองวยเือประโคม้ากสอประโคมซะนนึงก็ไต๋ห น, น่งนึงก็เทิงหนึ่งเทิงของนั่งจิตติมา้ามันฝากมา ใ, ใส่ใหายนั่นมันวมาในก่อบบวมสกุลมันบวมาในก่องกระถินมันบวมาในก่อบผาป่าเขาฝากมาให้พเ่เสือตาหาใส่เขา ลองตัดตึก ห, หลอดลอยๆดิดของคุณยยบอรุ่ น, นี่ให้เลีูยงปูงให้ห้อย่านยังไลยาดอกให้หถสง่อมหตอนไล่ตะามจะคองตายแหลมก็ไป็นของสงเวอร์โหวตีโร โนเงินนตัวโนเงินที่เขาเอาไว้เงินคาคาเกะคากรวยนั่นเมืนยังซื้อเงินซื้อหามือยุ่มเลื่อๆเอาไว้ปิห้องกรวยเขาได้กขาเติมอีกนวันนี้ยือสามทหาร ขันทสสารหารอ า, ารกาตายกลางคืนเขาไปอ่านมองเขาเขียนมึงเชื่อไหมลุงได้ใบชนาคารนลุงมาถือกนไหนเาก็เลยอนุโลมได้ท่าที่ดีเมื่อท่านวรณะค่ำคืนคณะสงฆ์ในวัด บรรพศ์คีรีนี่เห็นชอบแล้วต้องเบิกได้พณะสงฆ์มีสิทธิที่จะเบิกได้ต้องไปโค้งสงษ์อยู่ตามเดิมร๋อท่าน้่านบอกว่าถ้าหากว่าท่านบรรลุภาพแล้วพระพิจามีสิทธิที่จะเบิกได้ลว่าเช่นนั้นพราพิจารณ์พระพิจารได้วรฒิภารกิพรเจ้าย่มพระกรเบิ้องก็ได้เช่นกันอย่าครับ เมวสมบูรณ์เนี่ยฟอกใหญ่ไหมคบท่างพระท่านพรออกมาท่านตายท่านตองท่านพระมันกระเบิดเ่อไรแล้วบถิมวัชิระพระเงินจำนวนนี้เป็นเงินสําเรบพราป่วยมันกระตองแย่ไว้ยังสั่นก็ะตองวาวไว้อังสั่นมีเมื่อวานท่น พระมันก็ไม่มีิดที่ปเบิรแล้วกายมวาเบอร์ใครมึงก็แล้วเนี่ยเขาก็ออไปกินจ่อยผู้บเป็นถ้ำว่านเข้าเห็นกันหน่าดับเห็นถ้าหนต่เห็นเขาจะได้รายอโยบันไดมึงก็ยืนเหมืนเตลเตลน่ ว่าติด่กันเลีองเงินนสตวก็ได้ว่าลงภูเขาโยงกันเรงเงินทั้งนั้นะท่านถ้ยแตกไปยุ่่นโยกันเงเงินกับท่านเพ่นี่ะเาจ เพ่งท่านหน่อยท่านแต่กันออกจากจา ก, กันแต่ยงบปนเลิ่ยงเงินถึงกันยุงนี้ในหน้อยู่พระอุจจาสิตายเหนืมันเปิดเผยกับทางหนอก นี่ลอยด์ดอไรกอะเฮ้ยเอาไปทกดนะทาดมาเบลือกหอยมูเบิ้งน้ำายสมมติตากมู โอ้ยบ้าเพิ่งมาแล้วหรือเขาว่ายังไงตัโครงก็ไปขอเปลี่ยนการส่งไปที่นอกครับไปทีดแก่ ที่นี่ในความชัดแล้วหรือยังในความชัดแล้ ว, ขวเขาจะไม่เอารถมารับหรืออันนี้ผมสั่งรถหมดแล้วต้องถูกครับนนเพราะว่าเขาได้เตรียมรถและเตรียมพยาบาลที่จะไปส่งผิดบนบริษัทรถแล้วก็วันนี้จะเป็นการเดินทางโดยทางที่เขาตอบมาอย่างไรพ่อครันเป็นการส่งไปที่โรงพยาบาลศรีนครินที่นี่เขาตอบมาอย่งไร หรือยังไม่ตอบ อ, อ๋อทางตอบรับแล้วครับตผูกครับเขาบอกเขางไงเขาบอกว่าวันนี้หลังจากฉันทเสร็จแล้วก็เดินทางไปได้ครับูครับเดินทางไปไหนไปที่โรงพยาบาลศรนครินทร์ซึ่งหมอวิรัรั บ, รบครับให้พวกเรารือไปครับ ผ, ผูครับ เ, อออเ้อล่าการบาดถ้าคิดส้นสมคิดก็ไปด้วย เขาให้เราเดินทางไปครับเร า, า, าไปมันก็ไปตายแล้วไปไม่พอเวลาเราก็กลับเ <c oughs> ราไปนอนฆ้างคืนในโรงพยาบาลแล้วก็ไม่คุ้มค่าที่ไปตัวมีไม้เข้า่าที่ไปต้นในโลกที่มังคู่เป็นหนึ่งในนั้นแน่ชัดเจนๆแต่เขาชัดเนชัดอยาก โอ้โมเมนอนเด่นเป็นงงตรงนีโอหมายข้ามาเดียนโม่เขาเลยเขาทีว่าเป็นโรคก็นี้ร่อยไปเช่นโบยเฉพาะท่าววา่าเพราะว่าต้องให้เครื่องตรวจถี่นิดนึงโอ้โอ้อันนี้มันต้องจับเป็นโอ้เพราะมันเปียกเย็นเป็นไปไม่แล้ทุกนเปียกหม่ได้ พระเจ้าดาันแก้อุปสรรคแล้วไม่ขับรถคืนเป็นตอนตอนพ้ะเจ้าธาาคามีแก้อุปสัรคแล้วเขาไม่ขับรคืนตอนที่สองตอนที่สพระนาคามีแก้แล้วแก้อุปสรรคแล้วเไม่ขับรคืนตอนที่สีพระราหันแก้อุปสรรคแล้วไม่ขับรถคืนมดเลือกแก้่บบเรื่อ ง, องนั้น ก็เป็นทาสเตหตุการณานโอ้การพ้นขึ้นกับการขึ้น กัโลกอะ่นเปตุกรารีวมเจ้าพ้าพม้าข่วมุดพป็นี่อัยศาีุดปูเทียงนั่งเทียงกูเรนนเมาเมาเมอึอึตามเพื่นกับอะ ตายต้งขึ้นกับเผาเพื่อนหลอเพอาเพื่อนเท่าไรนะอะนูวว่นกองนึนี่นขาดกอนึงเรืยมาเนยมอสอ่ะเลยหยิมใส่ส่รเราเออเราเอาเต่าข้ามสังเพื่อนนเพ่นหูจับผมอม า, านโตเพื่อนคือยัง น, นะนรังควนะเพื่นโมเดิมเงาเคยสูงหรอวัส มันมีอนขาขต่างสยญาณเพราะแค่แนวปรญญาถูกร้านุนไหวกันพระราหุนตายพระราหุนเข่าสู่พิพานพระราหุนเข่าสู่พญพาน อยู่ที่ดาวดึงพวกเทวดาเขาเก็บศพองค์ท่านไว้กี่วันไม่ทราบแล้วเขาไปนิมนต์พระที่ไหนมาก็ไม่รทราบก็โกนธัญญะมรณะภาพไม่ใช่มรณะาภาพเพราะท่านเข้าสูงเข า, เขาไม่ผานช่างเขาเก็บศพองค์ท่านไว้กี่วันไม่ทราบ เขาไปในมนพระที่ไหนไม่ทราบช่างเขาเขาองค์ท่านพระโมออกขนาพระหาโมออกขนาชื่นลมปานอยู่ที่กาลศิลาข้าภูเขากิจจะกูดตำบลกาละศีลา เขเก็บองศพองค์ท่านไว้กี่วันไม่ทราบไม่ปรากฏในพ ร, ระใจพิโรธหรือเราเรียนน้อยไม่ทราบเพราะไงไ ม, ไม่ไม่รู้แต่ว่าปรากฏไม่ได้ยังใครพูดด้วยถือว่าประวัติของท่านก็บอกว่าเาื่อพระผ่หรือเส้นพระารมาายุหรือผ่านอยู่ที่นั่นที่นี่ยักศพท่านนั้นท่านนี้ไม่ได้บอกก็บอกแต่เฉพาะมหาการปัตปั กระาหารกระะปะอยู่เขาสามยอท่านอธิษฐานให้ภูเขาหบใส่กันเป็นเรื่องของพระศีอไมเมตุใตจะมาถวายพระเพ อ, อเราเอาไว้พระเพอพระมาหารกรัสน์เหมือนกัน ประเทศตะวันมหาวิหารถูกถวายพระเพลิงอยู่ไม่มีกัางวันไม่ใชกลางคืนพระอ้อนนั่งตายแล้วไปอยู่ที่ไหนพระยาชาพาระอาโนนบอกว่าไปเทวโลกไปพรหมโลกไปเดินระโซดาบันวิสักคาคารีน า, าคาร า, ารัน อารมณ์ต้องถามอยู่ทุกวันไฟไม่ขาดไฟที่เผาสบเพระเทศตะวันมาหาวิหารเป็นวัดใหญ่ที่สุดในสมัยร้างพทธกาลเป็นคิวของพระที่ไปรวมนั่นบญญรรยักษ์ศิษพระวสจาต่างๆก็บัญยากิที่นั่นมากผู้คนทุละเมืองก็ไปที่นั่นว่าเทวุทธเทวราก็ลงไปถามปัญหาที่นั่นมากกว่าเพื่อน ตอนจวนจะสว่างแต่ละวันละวันพบรมศาสดากขาจำภาษาที่นั่นดีเฉพาภาษาแต่ไม่ได้จำอยู่อยู่รวดเดียวไปไปมามาอยู่รวมกันเป็นดีเฉพาภาษาที่อื่นไม่ได้จำภาษามากเหมือนเทตะวันมหาวิหาร และพระสูตรจะมีว่าสาวัถีสาวัตถีเป็นส่วนว่าสาวัถียังเวหาติเอว่าเมชุตังเอกังสมยัยยาวกว่าข้าพเจ้าชื่อว่าพระอา น, นุ์สมัยหนึ่งพระพุ้มีพระเก้าเสด็จอยู่ที่เขตตะวันมหาเมืองอานแสดงทําอย่างนั้นนี้นี่ว่าก่อเพื่อนี่มากกว่าท่าจัง แตวเราคิดถือของทานถ้าเราเจ็ชบช็อกว้ก็ลำบากแตล ก, ลกลูกหลานมากเอาตามพินัยกรรมถ้าเจ็ชบช็อกว้ยพินัยกรรมก็ไม่มีประโยชน์ เมื่คุ้มค่าที่นายกรรมทำไปแล้วสําหรับวงูนัเป็นปัญหาอันหนึ่งเพราะปีนาบรรดาปุ๋ยอาตาทวดยังมีอยูู่หัวแขนก็มีอยู่สําหรับผมไม่มีใครหังแขวนสาหรับคณ ญ, ญาติเพพี่สาวผมก็ตายหมดแล้วพี่ชายผมก็ตายหมดแล้วยังแต่ลูกๆลู ก, กหลานเขาก็หาเช่ากินเย็นอยู่เพื่อคอยเอาอะไรกับเขา แล้บ้านเหล่านี้แถบนี้เหล่านี้ใครมีอะไรก็ดีผู้ที่มีศรัทธาก็ดีเขาไม่ครับพักเส้นหนึ่งเขาก็มากินมาทานแล้วเช่นคุณโยมอรุณีมีอะไรท่านก็มากินมาทานแล้วจะคอยเอาอะไรกับท่าน โมยมภัย ก, กินด้วยคร้ายๆก็เหมือนกันพวกกรุงเทพไม่มีพอห้คนจะไปะควายอะไรกับเขาอีกมีอะไรเขาก็มากินมาทานเนี้ยพวกต่างจังหวัดก็เหมือนกันที่จะพที่พบค่าสมาคมก็พวกเราเขามีอะไรเขาก็มาแล้วมาทานนีพวกนั่งอยู่นี้ก็เหมือนกันจะควายอะไรอีกควายูคอยเกาอะไรแล้วก็ทำใจภาวนาตายแล้วก็เป็นพอ ก็จะว่าบริคารนั่นยังบริคารนั่นนี่ยังลำบากเหมือนกันคนตีนี่ต้องเวลาพ้ตายก็จะใส่บริคานนั่นนี่ใส่ตะไบเขาให้ไหมทัางกระดูกเชื่ะหมดแล้ว ไปไปเอาพินัยกรรมมาอ่านให้หมูฟังไปฟังจะเทปที่เขียนไว้มากหลังพินัยกรรมก็หวังเพื่อว่าพวกเฝ้าเฝ้ากองไฟอย่างนั้นเฝ้าเชิญตะก ร, รอย่างนั้น จะได้เทศให้กันฟังเพราะให้มันไม่หมดแล้วจะแตกกัน มค่าที่เหลืออยู่ไม่ไม่ต้องเอามาในงานของผมเอามาทำไมเพราะเผาดว่วนเลยคเอามาให้พระผู้ที่สืบต่อไปนี่มค่าที่เหลืออยู่นั่นแหับผมม่ได้เอาอะไรไปหรอก อันนีป้ปลาไขา่ ย, ยังได้ก็เอาซะเจ็ดวันเจ็ดวันก็เอาไปรโรยให้กันโรยแล้วพี่น้องทางร้อนนายทราบขาวว่าตายก็ก้มหน้าลงแล้วอ่ะทั้งขางทั้งหลายมาเที่ยวเราวก็จะมลภาพเหมือนกันแล้วก็ใส่บาตรแทพายาแล้วก็มันเลือก ถ้าไม่มีอะไรก็ใส่แต่ข้าวเอาเกลือใส่ด้วยแล้วก็ <S <S 1> <S 1> นี่น้ำซพกรรมทำไว้ด้วยเกตนาดีพูดแล้ก็มันแรงตำบลน้องสงต้ ขอาำเจี๋อีจอนครพนมวันที่หนึ่งกันยายนพระพุทธศักรลาชสองพันหร้ยสี่ว่าเนื้อเที่นพกรรมนี้ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นแล้วขอครั้งแต่มีความเห็นว่าเขียนตัวเล็กมากจะไม่สะดวกแก่ท่านผู้อ่านในยามที่มีเวลาน้อยจุ๊บๆๆจิ๊บกจิกจึงได้เขียนใหม่ส่วนใจความก็คงไว้ตามเดิมการเขียนพยินัยกรรมมีประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่หรอข้าพเจ้าพึงเจรนาแล้วหลายรอบหลายใน ได้ความว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพราะท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังจะได้รู้จักจิตนาเจ้าตัวผู้เขียนว่าเจตนาอย่างที่เขียนนี่จริงหรือไม่เพราตั้งใจเขียนถึงสามครั้งถึงสติสติเต็ตตเมภู ม, แมิแล้วถ้าหากว่าบางท่านมาลบกลับจานวนว่าถ้าเป็นห่วงในเรื่องศพเจ็บปิดก็จะตายทําไมล่ะแก้ว่า ความตายนั้นครั้นมาถึงแท่แล้วไม่มีท่านผู้ใดจะถ่ายถอนได้ด้วยเวทมนต์หรือด้วยทรัพย์ถึงแม้ไม่ต้องการพยามัตุราชก็จับมือเต็นพร้อมทั้งคือดาบและอาวุธสาตราทุกชนิดหน้าหิ้วคิ้วขโมดอกไหลยอกไหลยไลยถุงนีสมมุติเป็นทุกขลาทิศฐานเพื่อให้เข้าใจชัดง่ายอนหนึ่งการเขียนพินัยกรรมของพระฝ่ายปฏิบัติไว้ล่วงหน้า ก่อนตนเองมรณะภาพเรียกว่าแบ่งเบาให้ท่านผู้อยู่ข้างหลังให้สะดวกและผู้เขียนเล่าก็เป็นมรณานุสติอยู่ในตัวไม่ประมาทอีกด้วยไม่สงสัยว่าตนจะไม่ตายตามสมุดด้วยเกิดสังเวชสลดจิตด้วยพระบรมศาสดาทรงส่งเสริม ท, ท่านผู้จเจริญมรณะสตินึกถึงความตายมากกว่าร้อยครั้งในวันหนึ่งจึงเรียกว่าไม่ประมาทข้างาพุทธการ พระมหาอาโน์เถระเจ้าถูกพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาทรงถามพระมหาอาโน์เถระเจ้าว่าอานน์เธอรู้ถึงความตายอันจะมาถึงตนวันละกี่ครั้งเล่าองค์พระมหาอาโนนทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์รู้ถึงความตายอันจะมาถึงตนวันละร้อยครั้งพระเจา้าพระองค์ทรงพระมหากรุณาสั่งสอนว่า เธอยังประมาดอยู่นะอานนุแระลึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกยินดีนะอานุนมีอาณิสงฆ์หาประมาณไม่ได้ย้อนมาปารกเรื่องที่นายกมอกีการสั่ง่งเสียกันด้วยปากเปล่าในยามก่อนมรณะภาพนี้มักคาดเคลื่อนได้ท่านองค์หนึ่งองค์หนึ่งหรือผู้หนึ่งหนึ่งผู้หนึ่งหนึ่งพ่อปารกไม่ค่อยจะตรงกันเพราะต่างก็ยืนยันว่า สั่งฆ่าพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ถูกท่านพวกขี้เกียจผู้ไม่ชอบพูดก็เมินเฉยไปเสียก็มีและบางท่านก็เพิ่มเติมให้เหลือไปก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้ที่เขียนด้วยตนเองเซ็นด้วยตนเองเอาเป็นประมาณได้ไม่ต้องเกี่ยวกับพยานตายนอกอะไรเลยก็เอาเป็นกฎเกณฑ์ได้ไม่มีท่านผู้ใดจะคัดค้านได้ว่าลายมือปลอมและผู้เขียนไว้ล่วงหน้า จะว่ารอบครอบในอนาคตก็คงจะได้เพราะเคยเห็นเป็นปัญหาในกรณีนี้มาบ้างแล้วแท้ๆไมื่ผู้อยู่ข้างหลังทำตามพินัยกรรมถูกโจมตีประการใดก็มีพินัยกรรมออกอ้างสมบูรณมีหนทางพอที่จะเอาความจริงออกแก้ปัญหาได้ไม่มีทางจนมุมเลยคนเราและสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิงจะต้องถูกตายตามสมมติทุกๆท่านแต่ระชาติละชาติอยู่แล้วไม่เว้นได้ พราะทูปูเขาแก่ปูเขาเก็บปูเขาตายตริ่งบทสับอยู่สี่ทิศถ้าจะว่าส่วนกายทิศทางซ้ายทิศทางขวาทิศทางหน้าทิศทางหลังที่นั่งหุ้มอยู่โดยรอบกา ย, ายก็เป็นทิศเกิดเป็นทิศแก่เป็นทิศเก็บเป็นทิศตายทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้ถ้าจะว่าให้ละเอียดกว่านี้ชีพจรเดินแต่ละครั้งก็ดีลมหายใจออกแต่ละครั้งก็ดี ลมหายใจเข้าแต่ละข้างก็ดีขณะจิตนึกคิดแต่ละข้งก็ดีก็มีทั้งเกิดมีทั้งตายสมดุลกันอยู่ในตัวทุกขณะอยู่แล้วไม่เลือกการผู้ทรงปัญญายาณย่อมรู้ชัดได้ไม่สงสัยสุนดาเลยนนะะและเอะการหนึ่งข้าพเจ้าย่อมรู้จากประมาณตนในเรื่องศบศพเจ็บเจ็บอยู่แล้ว มิได้มักใหญ่ไฟสูงในเรื่องนี้อยู่แล้วและก็รู้อยู่แล้วว่าการตายจากเช่าสายบ่ายเย็นนั้นก็พอจะรู้ได้บ้างการตายจากภาวนาไม่ติดต่อวันหนึ่งคืนหนึ่งเสียวเวลาไปเท่าใดภาวนาติดต่ออยู่เท่าไหรนั้นก็พอจะรู้ได้บ้างแล้วส่วนตายตามสมุติในชาติหนึ่งหนึ่งจะขึ้นลมพราณวันใดนั้นเป็นของสาคัญอีกจึงได้เขียนในรมล่วงหน้าไห ถ้าเวลาป่วยลงมาแกชะลาเข้างกๆเงันๆกว่านี้จึงจะคว้าปากกามาเขียนก็คงสายบ่ายค่ำไปแคยแล้วค่าคือตายก่อนเขียนจะถูกข้าว่าเป็นบ้าเขียนก็ยอมได้รับท่านผู้อยู่ข้างหลังอาจเบาใจกับข้าพระเจ้าผู้เป็นบ้าบ้าบา บ, าบอกเขียนก็าอาจจะเป็นได้คงเป็นประโยชน์อยู่บ้างบางท่านก็จะกล่าวว่าจะเขียนไว้สักเพียงใดก็ตามทีถ้าท่านผู้อยู่ข้างหลัง ไม่ปฏิบัติตามพินัยกรรมก็ดีหรือปฏิบัติตามพินัยกรรมก็ดีผู้ตายก็ไม่คงไม่ขี่ช้างสูบบุหรี่หรือกินหมามาคัดค้านและอนุโมทนาได้จะอย่างไรก็ดีกว่าไม่เขียนนะพระบรมาศาริราเป็นยอดเอกของไตรพพก็ได้สั่งสั่งเสียเสียในการชาปนกิจเรียบร้อยไหวไม่บุบพ้องทุกประการเป็นต้นว่าให้อา้าขาว500ร้อยชั้นพันผศชุบ ด, ด้วยน้ามัน เชิญลงในหีบหล็กแล้วปิดฝาแล้วเอาไปไว้ใกล้ถนนสีแปง้งมนุษย์และเทวดาจะได้กลบาวว่าเป็นกรารมาพระจรของเขาเหล่านี้เป็นต้นคำสั่งเสียไม่ว่าที่ไหนยุคใดการใดจะเอื้อนกันก็ไม่ได้เมื่อยังมีกายและใจและวาจาปาราธได้อยู่เพราะจำจ้องได้ใช้อยู่ย่างนั้นส่วนกิเลสเป็นเรื่องเสรรายหนักเบา แต่ละท่านไม่เสมอกันตามยถ า, ากรรมที่สร้างสวมไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติอันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมาเป็นอนเนกปริยายในสังสารวัตรเป็นของหน้าสังเวชชัดในการท่องเที่ยวข้าพเจ้าขอวิงวนรบกวนเมื่อข้าพเจ้าขึ้นลมฟานแล้วขอให้ชาวพุทธในสังคมนั้นๆรีบเผาข้าพเจ้าโดยด่วนด้วย พิจูสำเนียนอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ใกล้ชิดย ong มีสิทธิเป็นชั้นที่หนึ่งคำว่าใกล้ชิดหมายความว่าเคารพกันถือกันกับข้าพเจ้าได้ในปัจจุบันที่ร่วมสุขทุกอยู่ด้วยกันเป็นต้นว่าขอนิสัยอยู่ร่วมสำนักในขณะที่ตายนั้นเป็นต้นหรืออยู่วัดอื่นสำนักอื่นแต่เคารพรักกัน ได้บรรดาลมาเจอกันทันเวลาตลอดทั้งญาติโยมก็ให้มีสิทธ์ทั้งนั้นคำว่ามีสิทธ์คือให้มีสิทธิ์เผาด่วนไม่ให้ทุ่มเทียงเกี่ยงงอนอันใดกันเลยถ้าข้าพเจ้ามรณภาพอยู่ในป่าหรือวัดป่ากด็ดีจงทรงกรุณาเผาข้าพเจ้าโดยด่วนไม่รอช้าเพราะไม่ได้หามหรือเข็นศพผ่านบ้านท่านผู้ใดเอาใส่เตียงยกชูไฟริมวัดหรือสถานที่เหมาะสม หินดานริมวัดก็เผากันเท่านั้นเผาให้ไหม้ทั้งกระดูกก็จะเป็นพระคุณยิ่งอย่างสูงไม่ต้องทํำหีบใส่ก็ได้ถ้าตายตอนกลางคืนตื่นเช้าชั้นอาหารเสร็จแล้วก็จัดการเผาถ้าตายตอนกลางวันหาฟืนทันก็เผาในวันนั้นไม่รอช้าไม่ต้องทําพิธีอะไรพลิกตะแคงข้าขวาหินหัวไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือก็ได้ ไม่ได้ถือมั่นในทฤษสยศาสตร์ดอกแต่เคารพตามธรรมเนียมของพระอริยะเจ้าข้าพุทธการทอดสะพานไว้และอย่าลืมทิศ ต, ตะแคงข้างขวาถ้าไม่ตะแคงเมื่อถูกไฟขาก็าดีแขนก็ดีคอก็ดีจะงอขึ้นยกขึ้นเหมือนเขาเผาปลาและต้นปลาไม่ต้องรบกวนพระเนรให้ว่ากุศลาหรืออนิจจาหรือเหตุปัจจ ย, ยหรืออะไรอะไรทั้งปวงกว็ได้ไม่ต้องทุกจิกกิ๊ ก, ก ล้างและไม่คลุมผ้าก็ได้เมื่อไฟเผาไม้หมดทั้งกระดูกเป็นตุนปุ๋ยผงเละวาดเท่าและไม่ให้เกี่ยวข้องกับเท่าอีกด้วยให้เตียนและไม่ต้องมีหลักหมายเหตุในที่เผานั้นเลยก็ได้ไม่ต้องทําพิธีพิธีอุทิศใด ๆ, ๆก็ได้พระเนรทั้งหลายไปบินฑบาตตามเคอย่ำคําว่าให้มีสิทธิ์ทุกท่าน ที่ให้มีศีลปฏิบัติตามพี่นกรรมเท่านั้นไม่นอกหลือไปส่วนโบเิขาน8แล้วแต่คณะสงฆ์จะเห็นสมควรตามพระวินยัยแม้ของใช้ส่วนตัวของข้าพเจ้าเช่นกระติกน้ำเย็นและร้อนก็ดีหรือสิ่งอื่นถ้ามีจะมอบหรือไม่มอบตามพระวินยัยเมื่อเจ้าของตายแล้วก็ต้องเป็นของสงฆ์ทั้งนั้นพระเลีมโตวันแกนขนุนได้ เป็นครุฑันของสงฆ์ไม่ควรเก่เป็นบุคคลิศคณะสงฆ์คงรู้ดีพอแล้วถ้าจะมีศรัทธาทมบุญอุทิศให้ก็ให้ภาวนาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีเกิดเป็นเบื้องต้นมีแปรปรวนในท่ากลางมีดับเป็นชุดท้ายผูกขาดจองขาดประจำโลกสังขารไม่ลงธรรมะไม่อยู่ทรงอยู่ทุกการของสัพพโลกสัพพสังขารเหมือนครงจัก ที่มุนอยู่ไม่มีเงินต้นไม่มีเงินปลายเว้นไว้แต่ท่านผู้เบื่อหน่ายทายหลงไปแล้วถ้ามโรหลงในปัจจุบันกิจปัจจุบันธรรมไปเร็วพ่นรันทันเวลาชั่วรัตนีมือเดียวไม่ได้เกี่ยวกับการสงสัยให้ขบฏคืนได้ชื่อว่าได้ทำบุญอุทิศรักษ า, าพระเจ้าเต็มภูมิแล้วเพราะขอพระคุณมากมา่าแท้จริงแล้วสังขารธรรมทั้งหลายพอดีย่อมว่าจากสัตว์จากบุคคลเต็มภูมิอยู่แล้ว แต่เมื่อมีกิเลสดองสันดานของสัตว์โลกอยู่ตามใดก็ย่อบเข้าใจผิดไปยึดถือเอาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เป็นเหตุเป็นกรรมเป็นพืชเป็นผลของเหตุเป็นผลของกรรมเป็นผลของพืชอยู่ในตัววนเวียนอยู่ไม่จบสิ้นได้โดยง่ายตรเหตุไตรผลวัตเหตุวัตวผลอนันตระปัจจัยเหตุอนันตระปัจจัยผลวัตวนเหตุวัตวนผลไม่เป็นอาโหสิกรรมเหตุ ไม่เป็นอาโหสิกรรมผลได้โดยง่ายปารคน้อยไม่พออธิบายปารคหลายเมาอารมณ์ย้อนคืนมาปลารคศ บ, บอีกอย่าเอาศพดักไว้เหมือนนายพรานเบ็ดเหมือนนายพรานแล้วที่ดักเอาปลาและสัตว์ต่างๆแล้วดักศพขูดกระเป๋าท่านผู้อื่นไม่เหมาะสมแก่พระนีนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรทุกเพราะเราไม่ใช่คณราวาคณวาวนั้นเขานินทากาลกันว่าขี้เหนียวและจนทรัพย์ ต่างก็ต่างๆก็สารพัดที่จะพากันนินทากาลีเทน้ําเยื่อหยันกันเสียดสีกันย่อมเอาเป็นประมาณไม่ได้ถ้าเราทําทําดีทําถูกทําแท่แล้วชาวโลกจะติเตียนเราก็มอบให้เป็นเรื่องของลมล ม, ลมแรงแรงไปเสียกว่าได้เราทําให้ถูกกับชาวโลกแต่ปีนเกลียวทําเทของพระองค์เรายืนยันตัวเองว่าเราเห็นธรรมปฏิบัติธรรมเราก็ขาดทุนจากทาแท้ ในตอนนั้นนั้นกลายเป็นคนขี้ขาดที่กลัวในการทําดีกลายเป็นอคติลําเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติลําเอียงเพราะโงูกเผาเรียกโมหะคติเราเอาฟืนเผาไม่ดีกว่าเอาเงินเผาเรารับทะัศะธรรมจิตในเขตของธรรมก็สองความว่าความเลี่ยงชีวิตของเราเนึ่งโวยผู้อืน่นเราควรทําตัวให้เขาเลี่ยงง่ายและเรารักโคตมีสูตรและอริยะวังสิกสูตร รักสันโดดรักสงบไม่ใช่รักสันกระดดดและวิวุ่นไม่วิเวกเหล่านี้เป็นต้นเราเอาตัวงองเงินเผาเท่าใดก็ไม่พออนิจจาเอ๋ยและอีกประการหนึ่งเราเป็นพระฝ่ายปฏิบัติมานานกว่าส0ปีต้องเชื่อกรรมและผลของกรรมที่ตนทำไว้ในยามก่อนตายมากๆเผพาพองวงตระกูลอนุโมทนาปล่อยเรามาปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในสงสาร โดยเป็นธรรมแล้วไม่คอยจะไลท่ทีจีเบี้ยอะไรกับเราปล่อยให้มีอิสระแล้วเราก็จะวางแผนเอาศพจักไว้คอยสะตางกหน่าละอายตีมบาดไม่ไผ่และกดมุง่งทางจงกรมชั้นในบาดปลอเดินจงกรมปลอบาดใหญ่ปลอปีนป่ายขึ้นเขาลงห้วยเป็นวัดปลอเทศเด็ดเดีดเดดเดยวเดียวปลอย้อมผ้าสีกัดปลอเหล่านี้แหละเป็นหน้าที่จะโอปนายกโกทวนดูตนดูใจดูธรรมทั้งนั้น เราตีตนเองตักเตือนตนเองเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเรามีหน้าที่ละบาเปเพียรกุศลทำจิตให้ยิ่งในทางมรรคผลมิพานตายแล้วต้องเผาเร็วด่วนเพราะไม่เอาให้ทำปาราขอให้พี่น้องชาวพุทธทุ ก, ท, กทุกท่านที่เคารพจงปฏิบัติตามพี่นกรรมเทอนเขียนพี่นกรรมไว้ ให้บรรดาท่าน ผ, ผู้อยู่ข้างหลังไม่ลังเลแลกหน้าเค้มประตูเสวีสวลงวันที่หนึ่งกอย2อ1 5ที่ใน ร, รมนี้เป็นเรื่องเฉพาะส่วนตัวไม่ได้หมายจะให้กระตือนท่านผู้ไม่ต้องการแบบนี้แต่ประการใดป ร, รอพิเศษด้วยเดชพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้บรรดาพี่น้องชาวพุทธทุกชนชนาท่วทางใจดกาศีนสมาธิปัญญารวมกันลงมาเป็นกองทัพธรรมในปัจจุบัน ปัจจุบันธรรมผู้ชัดเห็นชัดปฏิบัติชัดรุดพ้นชัดไม่กระอกไม่เหลือเศษจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นไม่เหลือตามเป็นจริงทุกขั้นหน้าอยู่โดยทุกเมื่อตื่นมูลค่าส่วนตัวของข้าพระเจ้านั้นไม่ได้เก็บส่วนตัวแต่อะไรอะไรเลยมูลค่าสง์ก็ต้องขึ้นอยู่กับสง์และเวี ย, ยวร์ปจะกรและปีหนึ่งก็ปัดคลอกและหลายข้างแล้วเดี๋ยวก็สร้างนั้นทำนี้และในสำนัก ก็เป็นผู้มีลาบน้อยอยู่แลว้วและก็ไม่ได้วางแผนหาอุบายเอาปัจจัยอะไรเลยเช่นจัดการงานขึ้นในวัดเพื่อลำเลียงมูลค่ารูปเหรียญพุทธาพิเศษแฉลงแฉเหลงอรอะไ ร, ะไรก็ไม่มีเลยล่าเค้มประตัวเสวยูถ้าไม่ปารบพินัยกรรมก็บรร่องเรื่องมูลค่าถ้าปารบบาด ก, ก็บาดหูเล็กน้อยนะ ที่นี่ในปัจจุบันที่อ่านนี่มูลค่ามีอยู่ในธนาคารใดสงทั้งหลายก็รู้จักกันแล้วกิจกรรมท ก, กทง่ ง, ง, ไ ง, ไงไกิจกรรมทุกอย่างนเสนอกามในไทยก็กิจกรรมอาแล้วนี่เ อ, อาไวจะ อ, อ่านเฝเฝออะไหนึนไหวมูอา่านเฝอเฝไข่ ตัวอันชุดนี่ไฝข้อใหม่เหมือกนกันข้อไปกุดไฝกุดมั่นนี <c oughs> นนน่นี่ข้อไฝุดไกั่นะไรตัวอ่นไั่ตัวอมด่ัอนมุดนี่ไฝกัใหม่หมุอะไรนะเ้า เ, เปิดขงรูปมันติดป่ครับนี่หมู่ของพวกชาติชนนาพุทธก็ต้องไปตามพุทธ พวกศาสนาอื่นก็ไปตามมันอื่นหมู่คลองใครของมันมันบันดาลเองมันเจอกันเองผู้ท่องเที่ยอวอมาในวัดตาสงสารมันมีหลายระดับจะระดับใดก็ตามถ้าไปยังพ้นจักกิเลกก็มาเป็นระดับเกิดแก่เก็บตายอยู่ตามเดิม พ้าพ้นจากกิเลสก็เข้าสู่พระนิพพานไปซะไม่ได้มาอีกพระพุทธศาสนาสอนให้คิดใจรุดหน้าเดินไปไม่กลับคืนเดินไปจนถึงพระนิพพานเดินทางใจเดินทางสติเดินทางปัญญาชกต่อยกับความหลงของตน เพราะนข้ามทะเลหลงด้วยพระสติพระปัญญาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ออกหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่หวัวหน้าหวัวหน้าของกิจของใจเป็นนายหน้าของกิจของใจเป็นนายหน้าของสติปัญญ า, า พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใจแต่ละท่านละคนหิ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ดวงใจของแต่ละท่านละคนนั่นเองเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แขวนคออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนคือแขวนใจถ้าเอาแขวนในข้างนอกเดี๋ยวคนลักเดี๋ยวก็ลืมเอาแขวนเก็บแขวนใจไว้ข้างใน ไปไหนก็ไม่ในีหาบได้หี่ของพระพุทธธรรมพระสงค์ไปด้วยมาเถิดขึ้นรถเถิดดิฉันกำลังจะขึ้นข อ, อนี่มนเถิดไม่ได้ว่าขึ้นกับดวงกลเราเลยเพราะเราเนี่ยมนท่านอยู่นั้นแล้วก็ความจริงก็ที่อยู่ของท่านก็ต้องอยู่ที่นั่นผู้ถือพุทธธรรมสงพุทธธรรมสงก็อยู่ที่ไกลผู้ถือผีผีก็อยู่ที่กา พูดถือว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีบาปไม่ีบุญสิ่งที่ไม่มีบาปไม่บุญก็มาอยู่ที่ใจู้สร้างแต่บุญก็มีแต่บุญอยู่ที่ใจู้สร้างแต่บาปก็มีแต่บาปอยู่ที่ใจเนี่ยน ะ, ะจะว่างไงก็ว่าซะ